ในงานวันที่25มีนาคม2504นวัดอรุณรังสีจังหวัดน้องขาน เนื่องสาทานทั้งหลายได้บูาพยายามก่อร่างสร้างคุณซึ่งวัดสถานที่นี้ให้ปรากฏเป็นวัดขึ้นมาเนื่องจากสภาสองข่านทั้งหลายได้ปราศระยเป็มกาลางังความสามารถทั้งตนเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานที่นี้เลยปรากฏว่าเป็นบูชัสถานจนสถานที่เคารพ บ, บูชา นื้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของท่านผู้มีศีลผู้เพื่อพระสงฆ์ได้มาจำใจอัดแห่งความศีลธรรมวิริยะมีความภาคความเลียนของท่านทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาคือคนผู้มีศรัทธาเที่อวกระไรพระพุตธศาสนา อยากจะกรดับตราฟังซึ่งเอว่าทาสอนทั้งสมเด็จพระภูมีคุ้ภาคเจ้าดังนั้นในดัันดับตอนนี้ไปขอท่านผู้ฟัทั้งหลายเพื่อตั้งจิตตั้งใจั้งตนไว้โดยดีเจะเับว่าซพระเจาทมาเพื่อเจนานันเป็นเพราะว่าทำสอนทั้งสงเดพระภมีคุ้ภาคเจ้าการตั้งเพศนั้น จึงกำหนดทำนุสทั้งตนไว้ที่ใจโดยไม่ต้องตรงกัยเสียจิตหรือว่ามีความหมายอย่างใดอย่างหนึง่งในท่านพูดเถอะให้ทางใจไปจากใจทั้งตนเองาใั้ท่ารทำนุสจิตใจลวงนั้นสำขยึดด้วยสติไว้ที่ใจของตนเองภายในสงสางการต้องทำภาพประการก็จะปรากฏขึ้นใ น, นสถานที่ ใจของเราในขณะที่ฟังเทศดการสงฆาประการนั้นคืออะไรบ้างมีผู้ฟังทำก็ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดพอจะเข้าใจชัดสามจะกนจัดความสงสัยทั้งตนซึ่งมีอยู่ในใจเสียได้สี่จะทําความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจุดผู้ฟังย่อมได้รับความสันติ ในอนุสงฆ์ห้าประการนี้สรุปความลงแล้วยงมาอยู่ในข้อจีวะผู้ฟังย่อมผ่อนใสเมื่อจิตใจทั้งเราได้รับความส่องใสนั้นเมื่องจากทานฟังด้มีสติสำนึกอยู่ที่ใจเขอหน่อมเมื่อใจได้รับรความผ่องใสความสงดความสบายความปรอดโร่งในจิตใจทั้งแต็ม ขอประกาดขึ้นในขณะที่ทังฟันางเจ้าสมเด็จพระสุนีข้าพเจ้ายังทงพระชนิดได้ช่วทําำแต่มรรดาสาวโลกทั้งหลายพื่อูเจ้าได้รับอารสงให้าประการก็จากอาศัยยาที่สุขกรุึามาตาบุตรไร้ชืนมาคมเพื่อสร้าสถึงบลุโสดาบุตรพิา เาอ่านเป็นคำๆเมืองจะทำมาทำสองสองสองพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่สงบเมื่อความไม่สงบแล้วความนีน้จะมีอยู่ในโลกเป็นทั่วทั้งแผ่นดินโล ก, ลโล ก, กะาาแะธาตุทีตามใจไม่มีความสงบไม่สามารถที่จะประสุกหัดกระสุกคำที่เป็นของมัอยู่ทั่วไปนั้นะาานลอบการโลดแต่เมืองใจั้งเราได้รับมีความสงบนับภ า, ายในจิตใจนั้น ชนเห็นประจใจทั้งเราให้มีความเยือกเย็นและมีความตุดปอดสงและลงสูงนาจิตใจและเิดสัญญาความก็สว่างสวัยขึ้นที่ใจของตนมองเหัตถิธรรมมเห็นจัวาลึ่งเป็นขงเป็นไปตามสภาพของใคยทางสัญญาทั้งตนอย่างเช่นครับมีดัดาเห็นสภาพของธรรมึ้นเงยืนอยู่ในโลกด้วยปัญญาทั้งตนทำอยู่ที่ไหนเล่า ทั้งพุทธการปรากฏว่าได้เห็นทำได้รู้ทำต่อสมัยนี้ทำไปอยู่ที่ไหนและที่เลขาตรรมก็ดีบุญกุศลก็ดีบาปกรรทั้งหลายก็ดีครงพระพุทธเจ้ายุ่ตรงพระชนน์อยู่นั้นอยู่ที่ไหนมาสมัยนี้สภาพทั้งหลายที่บาปหรือบุญก็ดีไปอยู่สถานที่ใดเราต้งทราบใจว่าองสําเร็จพระภูมีิทศภาคเจ้า ท่านแน้วนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ได้สอนในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกและไม่เป็นอยู่ในตัวสัตว์และสังขานทั้งหลายคือตัวของเรายลองแสดงตรีที่มีอยู่ณภายในตัวของเราด้วยกันทั้งนั้นคําที่ว่าทุขังท่านทั้งหลายต้องทราบว่าสังขารธรรมที่เป็นของมีอยู่ได้แต่จัคุณาการของเหล่านี้ทุกท่านเป็นทุกขังคือความไม่สะดวกใจไม่สบายายไม่สมายใจ มีกัดยาเป็นทุกข์อันนี้ังคือสภาพที่แปรปวนอยู่เสมอแปรปวนทั้งทางสายหนูสายตาขนเหน่าถึงได้แค่ผ่านไปได้ยินหน้าแ้าผ่านไปมีแสดงว่าอันนี้จะทำแสดงอยู่ทั้งผ่ายนอก่ายในสิ่งที่มาผ่านไปแล้วนั้นก้อเป็นของไม่เที่ยงความรู้ที่มาผัดที่ปรากดขึ้นจิตใจรับรู้ในอารมณ์ที่มาผ่านนั้นนั้นข้อดัดไปเช่นเดียวกันมีทางนี้จวอันนี้จะทำ อนาคาทำหมายถึงอะไรเล่าหมาถึงจะฆ่าพืชสิ่งใดซึ่เป็นของมีอยู่เป็นอยู่อย่างไรถ้าเจ้ามีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นใครจะมาหาถามหรือเอาไปไว้ที่ไหนไม่ได้หมือจะอาติดตามเป็นทั้งตนใครสถานที่ใดใดก็ไม่ได้เช่นอย่างนักปูทั้งหลายซึ่เป็นของมีอยู่ในโลกนี้ใครไม่จะมาปรุงมาแกลงให้เกิดดีขึ้นคือดินน้ำลมไฟเป็นของมีอยู่แล้วในสันดีนี้ ตั้งแต่ดั้งเดิมมาใครจะมาเกดก็ต้องอาศัยดินน้ำลงไปอันนี้มาเป็นเครื่องกระบอกเข้ากับดคำของตนคือคำดูคำตั่วแล้วสืบขึ้นมาเป็นรูกเป็นกาจป็นับรูเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแล้ะจะแต่สลับัดอังเป็นใจตามสภาพของเขาอย่างนั่งเดิมนี่ทีนี้กภาพเป็นอาณาจั ทั้ภาพทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของใครมีอยู่เฉพาะในครั้งพุทธกาลหรือคร้างสมัยตุพุติเจ้ายังทรงพระชนูอยู่แค่นั้นยังเป็นของมีตลอดกาลแป่ไม่ว่ากาลสมัยโน้นหรือสมัยนี้ยังในสมัยใดๆก็ตาม้สภาพสี่งที่ปรากฏอยู่แค่นี้ตามสภพระธรรมของเขาจะเป็นไปอยู่อย่างนี้ตลอดอนันตกาลมีทางเรียกว่านัตตาธรรมเป็นของผู้มีประจําหรือเป็นอยู่ตามสภาพของเขา ใครจะไปสำคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นเรานี้เป็นข้งเราก็ตามเขาหามีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่งนั้นใขาเป็นอย่งนี้ตามความถึมงั้งเราไม่มีท่านเรียกว่าอนัตตาท่านนิจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดแีและท่านทุกครังทั้ ง, งหลายเป็นภาพว่าเป็นของที่ดีในตับในหลังฐานในตัวของเหล่นานี้ทั้งนั้นไม่ได้ขาดตกบกพรองแม้แต่สิ่งเดียกเมื่อเราได้พิด น, นานถึงสภาพสิ่งเหล น, นี้ ให้เห็นตามความจริงของเขาซึ่งปรากฏขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเช่นี้ด้วยสัญญาั้งเหล่าแล้วเราจะมาเห็นความจริงตามแนวทางที่พระองค์เจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเราทำที่วราตัวหาตัดคำทำที่พระองค์เจ้ากล่าวไว้มีแล้วนั้นไม่ได้หมายว่าพระองค์เจ้ากล่าวไว้ดีในข้งนั้นเท่านั้นมาจะหมายมีการตัวหาเต็นข้นนั้นไม่จึงเรียกว่าตัวหาตัดคำตราตามสภาพที่มีอยู่อย่างไรเป็นหนูอย่างไรเป็นไก่อย่างใด ก็คนเคยอยู่เป็นอยู่เป็นไปนอยู่ขึ้นนั้นตลอดธรรมนัจจานมีเรียกเราตัวขาตถาธรรมมันดาเราท่านคณะตถาทั้งหลายที่ได้ก่อล่างสร้างวัดสร้างวาขึ้นจะเป็นการให้ทานมากน้อยเท่าไรก็ตามมีแสดนให้เห็นว่าท่านทั้งหลายมีความไม่วางใจในวัดตระหนี้หรือในความมุ่นเยี่ยเกี่ยงแฟนงองสภาพคนและบุคลคลผู้อื่นตลอดอาวัยวะสังสานร่างกายทั้ ง, ง, งเราเนื้อจะอาศัยอยู่ทุกวัน คนตี่เร่ว่าขาอยู่ทุกวันก็ตามเพาข้าพันนี้ก็เป็นที่ไว้ใจไว้ไม่ได้เหมือนกันเมื่อเป็นขึ้นนั้นตีเป็นเหตุให้กันบรรดาังคณะตาทั้งหลายในหนาวมีจริงหนาหาคุณงความดีเพื่อเป็นประยชน์สิ่งของคนในโลกนาเพราะเหตุใดตายนี้เป็นของแปลของดับของเสื่หลาใแตก็ตามปีแก่ใจนี้ไม่มีความแตกไม่มีความดับความสื่อหลาลายเพราะใจไม่มีปัญาสาหรับเขศพเขาเหมองเหมือนอย่างเจคุณพายของราราท้หมาย ตจนเป็นของมัตายบุญกุศลทุกอาสยใจตรงนี้จึงเป็นเหตุที่จะต่อเนื่องถึงครหน้าชาติหน้าอยู่เสมอคนเราที่มีความกระดานามารถสังสารหนึ่งเข็ยนไว้ในจิตใจทั้งคนด้วยถึงจำนวนหากเราอยังให้พ้นจากทุกภัยนั้นว่าตระสงสารยังจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในโลกนี้เล่า รอยยานพระมีที่อยู่ที่อาศั ย, ส, ส, ส, ส, มมศยสุขสนานาที่สุดสวยเม่อห้งนามที่ถูกต้องเนืน้อต้องตาหรือ้องใจทั้งเราและของบุคคลอื่นจิน่งใดที่ทราบเกิขึ้นเป็นทั้งเราสิ่งนั้นย่อมเป็นของดีทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุขผลทั้งเราที่ได้ขอร่างสร้างเอาไว้เพื่อนเร า, รารลูกก็ต้องเป็นลูกคนดีมีจะเป็นลูกหญิงก็ตามเป็นลูกชายก็ตามถ้าเป็นสามีก็ต้องเป็นสามีที่ดี ถ้าเป็นภรรยาถ้าต้องเป็นภรรยาที่ดีได้มีคุบัตสทั้งอันอันใดก็ตามเป็นั้งดีทั้งนั้นนี่จะพระทาสมาคูมิกับู่ก็เพื่อนใครใครก็ลักก็ตามมีตั้งแต่ั้งดีของดีนี้เกิดขึ้นมาจากไหนนี่เลยเกิดขึ้นมาจากสองตัวั้งดีบ้างเกิดขึ้นมาจากทั้งดี ของขั้วต้องเกิดขึ้นจากการจากของขั้วเมื่ อ, อทำขั้วแล้วผลขั้วก็ปรากฏขึ้นมาเราจะประมีสิโคตผลั้วนี้ว่าไม่น่าต้องการก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนสร้างขึ้นทำขึ้นผลนั้นต้องปรากฏขึ้นที่ตัวของเราเองเราเป็นผู้ที่จะต้องเยผนั้นๆดังนั้นคุณดูคุณงานทำดีทั้งหลายเมื่อจะเป็นนาตาทั้งเราจะแกระดกัดทำไปแล้วกูก ตัดสิดนคานติสติดผาต่อตามเปิดใจทั้งเราซึ่งเป็นที่ตังง้งสมหรือเกิดไว้ซึ่งบุญนบัตทั้งหลายนั้นเป็นของมันตายเวนต่าจึงสามารถติดตามไปทั้งเราให้ไปสูประถานที่ดังนั้นแล้วจะจำทั้งเราที่ทํำมากน้อยจริงหรือก้วอย่างใดมีเป็นของสําคันอยู่ที่ใด เพราะนั้นบรรดาท่านกุตสาตรงนี้กระนทั้งหลายพระาทำคอรางสร้างบุญกุศลก็เพราะไม่ไว้ใจตนทั้งตนองมาก้าแตกดับหลายผันายเมื่อไรหรือตายแล้วจักประตือที่ไหนจึงเล่อยืนยันข็งก่้าวครับคุณหากนเป็นที่ตึงทั้งตนในเมื่อเราอยู่ในได้นี้เราก็มีความผาถุกเย็นใจเข้าใจทั้งเราได้กอรางสร้างชงงามําดีซึ่งตนแข็งเย็นไร้เป็นเครื่องนอนหรือน้อนใจทั้งหลาย เมื่อเราได้ละจากโลกไปแล้วย่อมจะเกิดในสถานที่ดีๆทัศน์ที่สวยงดงามหรือเนี่ทัศน์ที่งามเราจะได้ดูต่างกลางตัวหน้าที่สวยงดงาม้าเราได้สมบัติอันใดสมบัติอันนั้นก็จะเป็นที่พึงพอใจตั้งหนักเราเราได้มากได้น้อยข้อขึ้นอยู่กับอำนาจทางธรรมที่เราทำมายีระบินกุศลจริงไม่ใช่เป็นของชิ้นเกียร์แสกหรือจะขืนยึดไปจากเราที่ไหนติดตามตัวของเราไปเช่นเดียวกันกับเราตามตัวของเราเท่านั้น หากเราจะเริ่มมาเกิดในโลกนี้อยู่เราก้เป็นที่พึงนพาใจในสถานที่ที่เราจะต้องเกิดเพราะอำนาจสังบุญที่เราได้สร้างไปแล้วจะต้องสนับสนุนเราให้เกิดในสถานที่ดีๆเสมอมีลกคุณจึงจงเคลื่อนเลี้ยงเราต้อพบนั่นนั้นเราท่านทั้งหลายที่มาได้ เ, เกิดในมนษุษย์ะโลกนี้นั้น เป็นข้งง่ายสําหรับเราทั้งหลายแต่เป็นัองยากสาหรับตับทั้งหลายที่มันไม่ต้อมีโอกาสมาเกิดมีวาสนาเป็นมนุษย์เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าล้ำอํานาจวาสนาตัวตัดทั้งหลายเท่าไหรเพราะอํานาจทางบุญกรรมทั้งเราที่ได้สร้างไว้แล้ในสักการนดังนั้นจึงเป็นการที่เราจะต้องเพิ่มคูณขุนขุนงานทำดีทั้งเราให้มากเพื่อสมูรณ์ทิ่งใจข้างหน้าตัวอย่างกองสมเด็จพระจุลก็ข้าเจ้าทั้งเรา เติมีจับรีพยานของเราในวันนี้คุณจะมีการเคลีมหาธาตุทำน้ำมหาธาตุทั้นหมายถึงธาตุอะไรเล่าเแฝดได้หลายในมหาชาตุนั้นแปลว่าธาตที่ใหญ่โตและโหดฐานที่สุดในเรียกว่าเป็นภาตุสุดท้ายของพระองค์เจ้าพ่อปู่หรือจะว่าพระองค์เจ้าเิดมาหลายธาตหลายภพหลายขั้และยตำแหนังไม่ควนเป็นเป็นใหญ่เป็นโตในเรื่องภาตุเรื่องภพจะเรียกเปนมหาชาติก็เนี่ที่พระองค์เจ้าเิดหลายครั้งหลายหนก็หลายหมนก็ปู่เช่นเดียวกัน แต่ในเอกสารที่นี้หมายโดยของนายอย่างที่ว่ามันนี่องสำเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในเมื่อครา้งข่านเป็นเพื่อนดอนข่านทำอย่างไรบ้างในคาถาของกบฏสันดานนั้นนี่มากมีมากมายแต่กองแต่จะยกมาเป็นเพื่อประเทศชาวเป็นขัติเพื่อนคอนไปของข่านที่ต่างทัางหลายโดยยมยอว่าอานางเทวิตกบฏสันดอนเจ้านั้นไรให้ทานบ้าง Ena, DA, podcast, สีนาราคติเทวันดอนเจ้าได้ทั้งมีการนักษาศีลด้วยภาวนาเววดาตัวเทวดนดอนเจ้าได้ทรงจำเพ็นภานามาจึงสามารถเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้มีหลักเทวันดอนท่านสอนไว้เพื่อใครเราทั้งหลายทรงทราพว่าเราดาเนินตามอ่องลอยของเทวดนดอนแค่เป็นทุติยภัตของพระพุทธเจ้า พระเวสสันดรนั้นภาโพูดถึงเรื่องการแบ่งคนยึดทำทุกทำประมาณของพระองค์เจ้าในชาตเป็นพระเสันดอนนั้นเราก็เห็นได้ว่าเป็นความยากลาบากแทอที่สุดและไม่มีใครสามารถที่จะทําได้เหมือนอย่างพระองค์เจ้าชาวที่เป็นพระเวสสันดนเวลาให้ทานชาบ้านทําเมืองเขาไม่ยินดีให้ทานท้าวซึ่งเป็นข้าวในคนประจําบ้านประจําเมืองประจำแผ่นดินของพระองค์เขาค่ะ มีต่อว่าต่อขานตัดต่อยองทุกตีทุกประกตันจนเขาไม่ยินดีขัดไล่พระองค์เจ้าออกเสียจากเมืองเห็นว่าพระองค์เจ้าเป็นคนพาและเนเอี่ว่าเป็นคนฝังด้านฝังเมืองไม่ควรจะเป็นผู้มีคนจากแผ่นดินนี้เนื้อเขจะขับไล่สายตรงพระองค์เจ้าไปก็ยอมละยอมไปเขาให้เขาป่าเขาไปตากอยู่ในป่าในโรก แต่การให้ทานตู้สันดอนไม่เคยยอมไปทั้งนั้นแม้จะเข้าไปตามไม่มีอันใดวัตถุอายทานอันใดมีเพียงปัญหาการมีสองพระองค์เท่านั้นที่เป็นพระโองครับธิดาของพระองค์ขอยอมพระมหากาพย์ให้ทานแต่พรามไปแล้จะเที่ยนปีสักเท่าไรจะตามสนับตามที่จะปฏิบัติต่อเด็กนั้นก็ยังเจ้าเข้มีธรรมบันไหนถ้าเห็นว่าให้ทามแต่แล้วมีเองที่จะเป็นบอเต็มเออร้ายให้ อันที่จะเป็นดอกเกิดแห่งอุมตนจะยกพระองค้าให้ข้ามพ้นกับพระตาสงสารส ถ, าถาาึงทีมีทานหน้ก็เพาะยอดสัานนี้เพื่อองค่าที่ดป็นสลัดให้ทานไปโดยจนพระไถ่ ไ, ถไทยขององค่านี่นอกจากนั้นะแล้วก็ยังให้ทานราวัีอีกทีนีงถ้าเมื่อทานรางวัลทีแล้วหมดเมื่อหมดตัวแล้วพระองค่ายังมีรยต่ำในพราวาราท่นมา ไม่เพียงแต่ทานลูกพันธุ์เท่า น, นี้ถ้าว่าใครมีความต้องการเอาเลือเอาเนื้อเอาลูกตาของเราหรือเอาเนื้อในไข่อกของเราเรายังจยอมละละเพอให้คนหมดให้มีอันใเหลือมีคามมุ่งตอบพระโสดันท่านมีทานที่พระ อ, องค์เจ้ญญาลกเ็งามทำดีที่พระ อ, องค์เจ้าได้ทามามีการให้ทาด้วยการรักษาศีลอยูใย่ในตาเท้าวงตกปะเด็นเนตตาภาวนามาเป็นบรรดาน้หาหลเป็นของที่ม่ให้ผลเมื่อ เป็นประทานชาบ้านชาวเมืองใช้ตาาุ้มหินอุาว่าไม่เป็นของดีแล้วนั้นเหตุใดพระอวขั้นตอนจึงจรากฏอขึ้นมาเป็นประพุติเจ้าศาสตราทั้งหลายทั้งหลายเล่ามีให้ท่านทั้งหลายไดกคิดเกินนาว่าพระองค์เจ้าได้ดำเนินมาอย่างไดการเคลื่อนมาธาพนี้เคลื่อนเพื่อเป็นคาามมนติตัวอย่า ง, างหรือเป็นคติส อ, อนใจให้เราดำเนินตามร่องรอยของพระองค์เจ้าที่เป็นผู้มิกกดืปรากฏน่าเป็นผูแขง็งเทวดาทั้งหลาย ให้ได้เห็นว่าเป็นสติตัวอย่างที่เราจะเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าตามสติกำลนงความสามารถของเราแต่ละขั้นนะขั้นที่จะสิ้นจะทำาดเมื่อรหลักการโขเวกสันนนนเป็นอย่างนี้การที่จะสอนนั้นไม่ได้สอนเพื่อใครให้เร า, ท, าท่านทั้งหลายทราบว่าเรานี่คือลูกโขเวก ส, สํานานหรือลูกพระพุทธเจ้าพุทธะเวตัดก็หมายถึงลูกของนักบราดนั่นเอง ท่านทั้งหลายให้ทางก็ชื่อว like e ่าเดินตามลองลอยของพระเทวทสันนันหรือของพระพุทธเจ้าการรักษาศีลจะเป็นศิลประเภทใดก็ตามก็ชื่อว่าเดินตามล่องลยขังพระเุทธเจ้าการเจริญเมตตาภรวนาพุทโธทำโอสังโฆในบทธรรมใดๆก็ตามเพื่อทำใจทั้งเราให้มีความสงบเยือกเย็นเนปราศผลขึ้นมา ตามทัศก์กาลธรรมสามารถทั้งเราที่จะปรงุงแต่ท่านได้ก็ที่เวลาดําเนินตามาาาเลยหรือตามพระบาทขององค์สมเด็จพระปูมีพระพาเจ้าทั้งหลยอย่างเห็นว่าพระเวทบรดณนั้นที่ท่านแสดงไว้แสดงเพื่อใคยสอนเพื่อใคยสอนเพื่อเราทั้งหลายเพื่อยเนินตามพระองค์เจ้านั่นเองมีแรงหลักอันดำไม่ขึ้นอยู่กับใครคือไม่ขึ้นอยู่กับความแรงที่เขาขัดขวางเขาไม่จินดีแทนที่ บุญกรรมที่พระองค์เจ้าได้ทรงดําเป็นมามีทานบารมีเป็นต้นจะเสื่อมเสียไปเสียเพราะอำนาจแห่งความตัดสางของชาวบ้านชันเมืองทำหาขึ้นตัดชาวบ้านชาเมืองให้ขึ้นอยู่กับความทำของพระองค์เจ้าเมื่อพระองค์เจ้าให้ทานแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติของพระองค์เจ้าทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทำถูกต้องตามหลักธรรมธรรมธรรพิธรรมบราของน้ากรากเนี ผลหนถิ่นก็ดีผลในทวนาก็ดีเมื e ่อคระองค์มำลงแล้วผลานคุณงามความดีทั้งหลายที่พระองค์เจ้าได้ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ตทใรชาใบมาก็ได้มาสนับสนุนให้พระองค์เจ้าเป็นศาสตริย์ปรดับอึศของโลกซึ่งไม่มีใครจะกปแนะนาต่างสอนพระองค์เ้าให้เป็นศาสดาไดับอึกเพเพราะอานาจทางวิญญาณที่สมทานที่พระองค์เจ้าได้ขอร่าสร้างขึ่งไว้ในพระองค์ได้ปรากฏเป็นกตริย์ประดาบอึศของโลกซึ่งเพราะอานาจทางทานถิ่นทวนาอันนี้ ที่าท่านผูกฟังทงั้งหลายได้คุกเป็นคติตัวอยา่างเป็นหลักเป็นฐา น, นาในายจุตใจทั้งเราตามธรรมนาทาใใายยั้งใจเราย่องคิดลงใจทางต่ำเสมอเส้นเดียวกันกับระวางคารบริยามะอันใดประการเป็นลมอยู่ในที่สูงย่อมสิ้นลงมาสู่ทีรรมเหมือนกันก็นนนว่านา้ำจะไหลลงสู่ที่ร่ำเสมอถ้าถ้าเราจะเอาคนทั่วหรือคนทําท่าเรือตามมาเป็นคติตัวอยา่างแล้วใจของเราจะไหลลงสู่ที่ขัวได้อย่างไง่ายได้ มีก็พระเนจพระองค์เจ้ า, าจได้เห็นเห็นผลผลขึ้นนั้นจึงไม่แนะนำสั่งสอนกระตากไว้เพื่อให้เราทั้งหลายได้ถือพระองค์เจ้าจเป็นคตินนาาตาัว อ, อย่างแม้พระองค์เจ้าไปนิพพานแล้วก็ตามก็ยังได้จรงวางไว้ซึ่งห่วงลอยให้เป็นหลักฐานให้เป็นปัจจิพยานให้เป็นเถรนติปึงของเราทั้งหลายว่าทุกทางทำมังสังทางแท่นข้าถามนี้ แต่ให้เราได้ถึงจรงเพาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพื่อทําพระสงฆ์ว่าเป็นพระณะทำมาเป็นธนะณะก็คือความขึ้นเป็นขึ้ตายตามพระองค์เจ้านั้นเองพระองค์เจ้าดาเนินอย่างไรก็ดาเนินตามพระปิติเจ้าตามธรรมที่พระองค์เจ้าแนะนําต่งสนไตามพระสงฆ์าวลกที่ท่านประการหรืท่านดาเนินไปอย่างไรมีละที่ว่าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมงไว้เป็นพนะะของใจเรา พุทโธทำโมสังเ t e r ไม่ใช่เป็นคําที่คืที่ล้าสมัยเป็นธรรมมัจจุบันทําท่าพุทโธเราจะเห็นมากอยู่ในอดีตที่ล่องมาแล้วกับจักรพุทโธที่พระพุทธเจ้าจะาปราบจิตจัการธรรมดาของโลกได้ทั้งพระองค์เจ้าเองทำโมก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์สงศ์เกิดขึ้นจากใจของพระพุทธเจ้าที่หมดที่เหลือแล้วนั่นเองทำว่าสังโ t ก็คือ สองสาวว่าเขื่อนรู้ตามเหม็นตามพระองค์เจ้าในอัตชั่งที่ยึดซึนเพื่อสัญสิทธิรรมอันหน้าอับและตรงไว้ขึ้นเว่าคำสั่งสอนของพระองค์เจ้านั้นเองนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นคานําที่ว่าทุทโธทำโมทัมโตดจึงจนจะปรากฏขึ้นในเราทุกทุกขั้ น, นเมื่อประพฤตปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนเมืแล้วอย่างไรมีเป็นหลักฐานสำคัญที่จะรับรองตัวของเราด้วยการปฏิบัติเรามีอันไหดเราก็ให้าทานตามกาลังทั้งเรายที่ดี ้นทานทั้งหลายทั้งงที่เราทางลงไป น, นั้นเราอยาสังารหนาทานเพื่อใครถ้าเราสังางห้าทานเพื่อผู้อืน่นหรือทเพื่อผู้อืน่นแล้วข้อที่เวลาถือศาสนาติดหลักของพระศาสนาขอนว่าทำดีต้องไะไดีทําวัสดีต้องอะวัเฉพาะอย่างนี้อย่างที่เราสร้างวัดอรุณนงังสีขึ้นมานี้พรด้ยวยคนะตัดข า, าทั้งทางใต้ทางไต่ม า, ารมเป็น สุงเป็นท่อขึ้นด้วยอ น, นาจแห่งกาลังหลายท่านหลายคนรวมกันข้าก็มีกำ ล, งลัง ม, มากสามารถสร้างวัดรางวาโบห า, างพระลาโงธรมกุฏิพรหน้าหลายหลังนกเกิดขึ้นมาเพราะเหใดาเกิดขึ้นมาาำ น, นาจแห่งการทำดีของตกพทั้งหลายถ้าเราจะต้องพันถึงอีกว่าการทำนี้เราทำเพื่อวัดวัดไม่ได้ไปสวรรวัดนี้ไม่ได้ไปนาน พรลาลูก็ไม่ปรากฏดถ้าจะต้องไปสวรรค์ไปนิพพานพุทธิหลังใดๆก็ตามปวดกตามพื้นดินของวัดอาริมังสีนี้ก็ตามเรียกขาดหมดทั้งพื้นดินที่มีอยู่ในวัดนี้เป็นเกศของวัดนี้ไม่มีชิ้นใดที่จะไปสวรรนิพพานนี่ฆ่าแล้ววัดทำเพื่อวัดวัดต้องไปสวรรค์ทำพระาเพื่อวัดทระาหรือวัดจะต้องไปสวรรค์ไปนิพพานข้อใจจึงไม่ใจแนวเพราะนี้เป็นสิ่งที่ก่อสร้างเพืนตัวเูวอันหนึ่งเท่านั้น แต่ตจะผลกุบุญขึ้นปวดขึ้นแตก่างกับทำวัดหรือสร้างวัดสรางโบสถร้างอาหารสร้างศาลาลงทำนั้นเป็นผลบุญของเราจะเขาจะมาใกล้ๆให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเหมือนอย่างเรามีเนื้อนาอยู่จะกี่แรงก็ตามแล้วทำลงไปในใ น, นานั้นเนื้อเข้าของเราจะมีสุดเยื้อเมืาอยขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือเข้าทั้งเราเองเมื่อเวลาเราทำเสร็จลงไปแล้วต ดอากบเวียงขึ to to harm, ้นมาก็เป็นข้าวของเราเราเอามาไว้ในตุ่มนาไห้หรือว่าในยื้อหนสามก็เป็นข้าวของเราเราหุงในหม้อก็เป็นหม้อของเราเป็นข้าวของเราตัป็นมาใส่เป้ยใส่การก็เป็นเป้ยกานของเราเมื่อรับทานเข้ามาก็คือเราเป็นผู้รับทานมีความอร่ออร่อยมีความอิ่มหนาตําลานทะเลดภาทางข้าที่เราทําขึ้นมาก็เป็นทะเลท่าของเรา เรเลี่ยงรางกายถ้าเราให้มีความสะดวกกายะบายใจจนถึงรมีอายุเนกรทั่งกระทัานถึงอายุไขก็เพราะอานาจทางข้าที่เรารับทานลงไปนั้นทีทาลงไปเพ่อเราทั้งนั้นไม่เคยทำลงไปเพ่อะไรเพื่อนาเป็นใดๆทำลงไปเพ่อเราีพระศาสนานี่เป็นวัตถุนักเกิดกางโลกัสสะพระศาสนานี่เป็นเวนาปุลของโลกขององศาลหนดที่เราจะวางซื่ลงในพระศาสนาแล้วสมบุญเป็นั้งเรา ดังนั้นคำที่ว่าวัดนี้คุ้มจนคุณเกษตไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องใสวรรค์นิพพานถ้าหลังนี้เราสร้างไว้ม่สี่ปีก็จะมีคามวามต้นทุนคุ้มลุกเกิสลักหัดทางลงไปทางสาของศาลาของโบสถ์ของวัดของมาอาวาที่เกิดขึ้นพระอำนาจแข่งการต่อการทั้งเราแต่จนวุ่นจนกุศลที่เราได้สร้างไว้อันเกิดขึ้นจากการ ข้าวัดนี้จะเป็นสมบัติขงเราเราไปประหานที่ใดอำนาจทาบุญของกุศลนี้เองจะสนับสนุนให้เราได้ไปสวรรค์นิพพานเพรเหตุนั้นสิ่งที่ว่าเราทามัดก็ทาเพื่อเราบุญเป็นของเราไปสวรรค์นิพพานเป็นเรื่องของเราจะต้องไปได้รับสมบัติข้าวจะถามจะเป็นคิดกามจะเปนอรก็ตามที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจางบุญนี้เป็นของเราเท่านั้นนีจึงที่ว่าเราทาเพื่อเรา ถ้าเราทาเพื่อวัดแล้ววัดก็ต้องไปสวรรค์เราทำเพื่อพระจริงๆแล้วพระก็ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องเดินจนๆนั่งสมาธิภาวนารักษาขินอินทาอันใดอาศัยเจ่าญาติโยงที่มาทําบุญแล้วคุญก็ได้มากพอแล้วยิ่งอาตมาผู้เทศน์นี้บวชมาไม่รู้กี่พัรษาอาศัยตจ้าญาติโยมทั้งนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องไปดินถมาดกับเจ้าญาติโยมอาหารวันพระตลอดทุน ข้าเนื่องจากเห็นสมวงกิริยาการขาดทุกทิ้งต้องได้มาจากญาตโยมแต่ทาไมจึงไปเชื่อเดิเป็นตนนั่งสมาธิภาวนารักษาทิงนะครับทเข้าแรงแรงขาก็ไม่ได้จินถ้าว่ามันจะเป็นวุ่ขึ้นเพราะอำนาจยนเอามาให้จริงจิงเนี่ยไม่ควเป็นจะต้องรักษาที้งนกครับเดินจงเกินนั่งสมาธิผู้โยมก็ต้องทาหน้าที่ของโยมบุญก็เป็นของโยมพระท่านทาหน้าที่ของท่านุญก็เป็นของท่านต่างคนต่างได้มากได้น้อยแล้วไป สู่สถานที่ดีหรือไปขวัญทานด้วยอํานาจแห่งบุญแห่งผลทั้งตนที่ทําซึ่งแต่ละท่านละคนนี่เป็นของไม่สับสนจนเปกันและอุตส่าห์การเมืองทกันด้วยมืมากซึ่งนี้เช่นชาลารังนี้มีคนมาทํามากน้อยเท่าไหร่เวลาเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาแล้วจะไม่ได้แยงกันหลักเหลือข้อนี้จะเขาเอมาให้ทานทั้งหายตังใกล้เหมือนอย่างนอาละทานอาหารลงในร่างายทั้งเหล่านี้ เมือ aces, interes, развит, ่อเรับทานลงไปรับทานลงไปในช่องเดียวคือช่องทวารปากทั้งเราเท่านั้นเมื่อรับทานลงไปในท้องแล้วนั้นแล้ะเรากำหนดกฎเกณฑไว้หรือไม่ว่าส่วนนี้จะต้องไปหล่อนิ้งอวัยวะส่วนนั้นไปแของเท่านั้นไปขาเท่านี้ไปบนศีรษะเท่านั้นหรือว่าไปข้าง่น้าข้างหลังทั่วทั้งผังร่างกายทั้งหลายุ่งเท่านั้นเท่านั้นเราไม่จําเป็นจะต้องกำหนดกฎเกณฑนี้บังคับสัญชาในโอชารสนั้นในเมื่อเรารับทานอาหารลงไปแล้ว เราทางรถนั้นนั้นจะต้องส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายตามแ่ส่วนอวิญนั้นๆมีส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยเท่าไรอาหารรถไอาหารที ố, ่เรารับนนั trees, ditch, <te> ้นจะต้องหล่อเลี้ยงให้เพืถึงกันหมดโดยที่เราไม่ต้องบังคับกัขาดเพนี่ก็ฉันน้นเหมือนกันบนกุศลที่บรรดาคณะสภาทั้งหลายทั้งทางใต้ทางไทยที่ได้ปล่่างสร้าง่นเพอาศห่งความสามาทีมาเท่นั้นก็ไม่เร็จเเป็นเรื่องประโยกใหญ่การสร้างวัด้างามาก่น้อย เมื่อเราทราบนี้ไปแล้วบนก็ุศลมากแล้วท่านเราเขาจะต้องเป็นทั้งเราแบ่าา ง, งกับแบ่งส่วนกันไปในพั่วโดยต้องมีใารบังคับบัญชาเส้นเดียวกันจักรพรรดิองค์เดีทัดทานลงใจในมุขะอวานทั้งหลอยแล้วสามารถจะไปหล่อเลี้ยงมากร่างกายทั้งลราให้สมบูนณ์ท่วถึงกันไปหมดพ้อนี้ก็ฐานนาั้เหมือนกันเพรนั้นเราท่า น, นทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาจึงทราบว่าเรานับถือตัวของเรา เราละตัวของเราก็ที่ว่าเรารักพศาสนาการทำชั่วคนอื่นก็มาทําให้เราไม่ให้เราไม่ได้การทาดีก็เหมือนกันเราเป็นหน้าที่ของเราจะทําขึ้นสร้างขึ้ น, นเวลานี้เรากําลังมีโอกาสว่าศาสนากําลังอํานวยชีวิจิตใจทังเราซั้งเขาทั้งบ้านทั้งเมืองที่เกิดขึ่งท่ามเรานั้นตายไปก็มีจานวนมากที่ยังเหลืออยู่ก็มีจานวนน้อยแต่เราตกใจจึงผ่า ทานตนอุปสริคคือทำทายน้นมาได้ทำเป็นกุงามทำดีและคนอื่นเท้ามีความเชื่อทำเงินใสในศาสนาเขมีนนมากในใเราจะมีความเชื่อศาสนาได้ฤทหลักาพระตนาลงด้วยอำนาจข่งความเชื่อทำงินใสไม่มีความเสียดายในวัตถุครื่อางทั้งคนแม้แต่น้อยนี้ก็ชื่อว่า อำนาจวัฒนาทาั้งเราที่เราเคยมีความเชื่อความเลื่อสายในศานสนามาเป็นเวลานานแล้วจึงไม่ฟองบงังคับบางผ า, านีกต ا าเกิดขึ้นภายในใจทั้งตงองในทำคนง า, นามทำดีเท่าไรยิ่งมีความอิจฉาอิอ่อในใจมีความงง ย, วยืนยันเตี่ยนสายาเลสในใจนี่ก็เพราะอำนาจวัฒนาทั้งเราที่เราเคยพอล่ า, ลางจางไ้แ้ในตาละก่อน ดังนั้นเราจึงไม่ควรตําหนึ่งที่โทษแม้ว่าเราเป็นสิ้นอานาจว่าศสนาน้อยมีว่าศาสนามาว่าพอสมควรที่จะเป็นมนุษย์ได้เราที่ไม่เป็นมนุษย์แม้จะเป็นมนุษย์มาแล้วก็ยังมีความเทื่อควาเร่ำรวนเท่าต่ำศาสนาตระแหา่ผญงานความดีไม่มีการพทอการถอที่นิพพานเห็นชะตะคือสงสารร่างกายนี้เป็นของไม่แน่นอนเหตุใดจึงน่าเป็นของไม่แน่นอนเพราะความเป็นอยู่ทั้งเรานี้เนื่องอยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้น ถ้าถ้าหมดลมหายใจแล้วเป็นโซโคไปก็ตามต้องมีความตายด้วยกันเั้านั้นไม่จักว่าคนเป็นได้ถ้าหมดลมหายใจเขาเรียกว่าคนหมดราคาเมื่อเราจนสิ้นเมือราคาอยู่ก็เรียกแต่เรมีวัวนะที่จะทอรา่สาสร้างสุนทรธมดีให้เปิ่มขึ้ขึ้นไปโดยลำหนักลำหนักนับครั้ที่เราจะกล้าเคลื่นไปทางหน้าเพานนาื่ออนาจให้ทํ า, าททททดีนี้แหละแค่เรียกและให้รักษาผู้ทำผดีนี้ไว เตือนคว่าว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางคือมรุญคือมัรุญมีความเสียกางหน่เช่นเดียวกันกับเราเดินไปจะเป็นไปในหมู่บ้านใดก็ต า, ามระยะทางที่เราจะต้องเดินไปนั้นก็ขอขให้เป็นระยะทางที่มีความสะดวกสมบูรด้วยอาหารการมริโภคในระยะทางก็เป็นความสาะดวกสบายถึงจะไกลก็ต า, า, ามเมื่อเราไปด้วยความสะดวกสบายในหนทางหนทางก็มีคว า, ามล่าชื่อ สถานที่พักที่อาศัยก็มีเป็นความวสะดวกสถานการบริสุทธิ์สมบูรณ์แม้จะเป็นหนทางไกลก็ต า, ามกหรือสิกธิ์ว่าเรารไปด้วยความสะดวกข้อนี้ก็ถนน้ำหมนกันแม้เราได้มาเกิดในโลกในสถานนี้หรือในทบใบชาดในก็อตามแต่เพราะอําอนาจของบุญกุศล ท, ที่เราได้ก่อร่างสร้างไว้แล้วก็เป็นเครื่องสนับสนุนเรารอะไในระยะหนทางแล้วเกิดในชาใดใบก็เป็นชาดที่สมบูรณ์ คูนตกเป็นภาเที่ยวไม่เป็นภาเที่ยวพักเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาตรวจในมารดโลกนี้ก็ไม่จำเป็นน้อหน้าแก่บุคคลได้เขามีพออยู่ก็กินแล้ก็มีเพืนเดียวขับเขามีอวัยวะสังขารร่างกายทั้งหลายก็มีความสมประกอบนี่ถ้าบอกเป็นตัวนของเราควรที่จะสนับสนุน มีกำลังพอที่พอเราจะตรวดทังสูงเพื่อไปขวัญก็สูงเพื่ไปโดยลำหนักลำหนักมือก็ขึ้นอยู่กับความดีทั้งเราที่ทําไมาเพื่อชื่ผลตอนเนื่อกันไปดงคือลำหนักในเมื่อเราได้ตัวล่าฆ่าตัวของเราให้มีความแก่ชาสามารถนั้นไม่ต้องฟูดถึงตัวทั้งเราเลยอย่างพระพุทธเจ้านั้นเกิดมาฆ่าไปเพิกใปก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมมันไม่ทานแล้วกลับมาบอกมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงอืก ในชาตทั้งหลายพระองค์เจ้าไม่เคยเห็นธรรมะนุพานเขอยู่ที่ไหนไม่ทราบธรรมะสวรรค์สัมมาโลกเขาอยู่ที่ไหนไม่ทราบพระองค์เจ้าก็ไปไม่ถูกและไปไม่ไม่เคยเจเหมือนกันคงน่าจะพบบ้างในพานธ์ำคำตำลงมาพระองค์เจ้าก็าละยึดไม่ได้แต่เหตุใดบนกุศลมีก็แก้งตมภัยถึงที่นั้นได้เป็นอย่างพระนิพพานหรือทมหมดกฎศากที่เด็ดขาดเพราะว่าทั้งหลาย พระเจ้าเขาไม่เคหมดไม่เคยรู้ไม่ไคยเห็นขณิกทานแต่เพราะอำนาจแห่งวุญญาณที่สมทานที่พระองค์เจ้าได้สมสังสมไว้แล้วขอบันเดินบันดาลให้พระองค์เจ้าได้ทําทุกสิ้งไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งสุยงามความดีนั่นเองมีละสุยงามความดีจึงเป็นราฐานสําคัญเป็นเครื่องมือสําคัญหากเราจะข้ามมหาสมุกมหานิยมพ่อเราต้องข้าม ด้วยอำนาจแห่งทานแห่งศีลแห่นามีญาตีว่าเราไม่เสียชาและได้เกิดมาพบกดบพุทธศาสนาให้พากันบำเพ็ญกุณงานความดีอย่ากหนึ่งแก่ธารมญาธรรมลําบาลความทาุกธรามญากนี้เราจะว่าแต่เราเลยทั่วทั้งแผ่นดินอันนี้ไม่ว่าสัตไม่ว่าบุคคลเชื่อว่ามีเท้ามีปากและต้องมีความหิวความกรหาย ้องแสวงหาอยู่หาจริวันยั่งทำคืนยั่งลงสัตวางประเทศเกี่ยวหาจริงกลางคืนไ้กลางวันไม่นดาเสียงไคเสียงเด้งแล้วก็ตายเขาฆ่านี่สัตวางประเทศก็หาจริงกลางวันเรานี้ไปได้อย่างอิกระดับดีขอมากิดจากเป็นหมายบ้านเมืองแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่มีความกดีบังคับหรือคนเหเรื่องกันนาการมีความสะดวกกายสบายใจแต่ก็มีอำนาจมารสนานี่ ก็เป็นความสะดวกสบายก็มาใจทั้งเราประเทศเนอเราจะเห็นว่าเรายากคนเดียวเรามีความทุกข์คนเดียวในโลกนี้เราลองไปถามดูที่บ้านใดบ้านไม่มีความยุ MX ่งยากด้วยการหาอยู่หาจริงการติดค่าติดขาการทํามาหาเยี่ยงที่เลี้ยงลูกเยี้ยงหลานรักษาบ้านรักษาเรียนไปรักษาบ้านรักษาเรียนไปแล้วหาสิของมาเยียวยาอาดันของเราแล้วน่ะทุกๆบ้านต้องมีความลําบากด้วยเหตุนี้ทั้งนั้นเพราะมีปากนี้ กองยิงเจนทั้งสายมีเป็นความจําเป็นสาหรับภาดแข่งของเราในเมื่อมีอยู่เขาต้องเป็นเช่นนี้สายไปแลกบุญกุศลก็เป็นของจําเป็นที่เราจะต้องไปต่อล่างสร้างตัวขึ้นเราเพราะอานาจแห่งบุญกุศลดังนั้นผาดแข่งก็เป็นของจําเป็นจะต้องสแสวงหาสิ่งมาเยาายรยารักษาไว้เป็นระพนอยู่ได้ ใจก็เป็นคของจําเป็น จ, จะต้องหาทำ ม, มาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ําใจจึงจะปรากฏในกระฐานที่ต้องอาได้เพราะอนานาจแห่งบุญมีเป็นความจําเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะคิดเชีย ว, ว่าคนอื่นเขาไม่ยากอยากยาคนเยี่ยมอย่างนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคนอื่นเขาไม่แก่เขาไม่เจ็บแต่มาท้ายคนเดียวแต่เราในโลกมันไม่เป็นเช่นนั้นป่าท้ามีอยู่ทั่วไปในโลกทั้งสามนี้ไม่ต้องว่าป่าช้ามนุษย์เลยป่าช้าสัตว์มันยิ่งมากอยู่บ้านไหนรือนใดมันก็มี ในเตาไฟมีอะไรบ้างมีกระดูกมีทุบตงทุบตาเอามาหุงมาต้มมาขวบมาตีนมาผักมาอะไรเต็มอยู่ที่เตาไฟนี่ก็แสดงว่าป่าทชาสองตัดออกจากนั้นนะก็เข้าไปดูที่ไหายปลามีอะไรบ้างมันตายอยู่นั่นของกันอยู่นั้นน่ะเต็มไปหมดนี่ก็ป่าทชาสองตัดเต็มไปหมดทั้งตัวเรือนเรือนหนึ่งเรือนหนึ่งมันต้องมีป่าชาไม่ว่าชั้นสูงชั้นต่ำอาศัยอยู่ด้วย อาหารจากในพวกบริโภกเอามาเผามาจิกมาตีกันมีปาช้าอยู่ทุกแห่ทุกหนแต่เราไม่กลัวผีเนี่ยถ้เราไปปาช้าคนนี้เราตัวใวนั้นยังมีชีวิตอยู่นั้นเราลัวแต่เราไม่กลัวท้าแนี้เราก็กลัวแต่ป่าช้าในแถวไทั้งเรานั้นเราไม่กลัวนี่คือความคิดเ็นติดของเราไอ้เรื่องความตายมันเป็นอยู่แค่นี้อยงพยายามทาคุณงามทำดีให้มี้ายในจิตใจของเรา การอดรวมภาวนานั้นเราอยากสำคัญว่าเป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของนักบวชการอดรวมภาวนาก็คือทำเพื่อให้ใจทั้งหลายได้มีความสงบและมีความสบายมันก็มีความเยือกเย็นถ้าใจไม่สบายแล้วมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นเขามีราคาเช่นอย่างคนที่มีทรัพย์สมบัติไม่รู้ขี่ล้านขี่โอนะ่ะ เจ้าของของสมบัตินั่นมาเสียเจดีย์ิตมนุษย์ก็เป็นม้าเป็นมอไปเสียที่นีสมบัติทั้งหลายก็มีราคาเพราะเจ้าตัวนั้นซึ่งเป็นหลักฐานได้เสียเจดีย์ไปแต่แล้วสิ่งทั้งหลายก็เลยกลายเป็นโมฆะไปตามๆกันนี่สำคัญอยูอ่ที่ตัวของเราใเป็นของสำคัญลองพยายามอดโยมใจของเราให้มีความสงบ ทำที่ว่าใจตั้งแนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็มีตามธรรมดาของใจแล้วย่อมมีความชพ่งสารวุ่นวายอยู่เสมอตลอดเวลานี่คือไม่มีความพักผ่อนก่อนใจของเราผานฉันให้เราเวลาบกค้องอาหารจัดใจก็จะมีความสนับสนุนด้วยอาหารการบริโภคด้วยการอยู่วามกินกา ร, ร, ารหลับการนอนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเราพักผ่อนอย่างใด แต่ใจทั้งเราไม่มีการพักผ่อนคือหยุดยั้งให้ได้รับความเครียดจึงเป็นความไม่สะดวกอับาจภายในใจเหนื่อใจถ้าเราได้อบรมให้มีความสะดวกภายในใจมีความเครียดเที่ยงคืนมีความสงสายภายในใจแล้วใจก็มีความสมายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบาย ยิงเราทำกิเลสอาสวะให้หมดไปจากจิตใจของเราเสี ย, ย, ยจริงๆันไม่มีอันใดเหลือหลออยู่นภาในใจแล้วนั่นแลอยู่ที่ไหนก็เป็นเอกันตะบร ม, มสุขมีแต่สุขหนอนั่งก็สุขหนอนนอนก็สุขหนอเดือนก็สุขหนออยู่ในโลกนี้ก็สุขเพราะใจไม่มีทุกข์เป็นเครื่องมาล่อลวงรือปุพันจิตใจใจไม่อยู่ในเครื่องกดกันทั้งหลายอยู่โดยกราดเสดีโดยลําพังทั้งคำรู้ที่บริสุทธ ปราศจากสิ่งที่อกออควนทั้งหลายมีเรียกใจที่ใบย์ุดแห่อือใจจะเบยุดก้อนเนี้ยมาจากาขขออการฝึกฝนอบรมหญิงก็ฝึกฝนอบรมได้ผู้ชายก็ทำได้ถ้าเราว่าก็ทำได้นับหัวก็ทาได้ทำที่เป็นเครื่องต่างๆที่จะทำใจให้เบยให้มีความ้งดนั้นนับตั้งแต่คำที่ว่าสุโครทำโมหรือสางโคล เมื่อเต้าขาลมานะขาท่นานขาแตะตูในบทใดก็ามเมื่อได้ถูกกระิกจิตใจทั้งเราแล้วในธรรมบทใดเพิ่งนำธรรมบทนั้นมาเป็นเครื่องจำตัดใจทั้งเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นนั้นเช่นอย่างเราจะบริกรรมพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธจนกระทั่งถึงพุทโ ธ, ธกับใจมีความเป็นอันเดียวกันว่าพุทโธก็ผือผููราบจิตอยู่ที่ใจของเราใจนี้ทาหน้าที่อันเดียวเมื่อได้ถือจิตอันใดแล้วก็องถืออยู่กับ ทำอดติดอันนั้นเมื่อในบนิกรรพุทโธปิดก็อยู่กับพุทโธถ้าเกิดจากพุทโธแล้วใจก็เป็นไปในนี้ไปต่างจึงเประเหตุไม่มีความสงบมีการอดลมใจให้มีความสงบเึงนอดลมด้วยอำนาจบริกรรมเป็นเครื่องฝึกมัดจิตใจของเราให้แน่นแารเมื่อใจได้ฝึกฝุดฝกมัดด้วยอดตัวทำแล้วจะให้อย่างเข้าสู่ความสงบเมื่อใจของเราได้มีความสงบ ชัวขณะเดียวก็าตามเราจะรู้สึกว่าศาสนานมีคุณค่าเท่าไรขึ้นนักภายในจิตใจของเราโดยขณะนั้นนั่นเองที่มียิ่งใจทั้งเราได้มีความสงบหน้าภาพลงไปจนเกิดความทำนิชทํางานอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยใจที่มีความสงบนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ที่เห็นคุณของศา ส, สนาหรือเห็นคุณค่าแห่งใจทั้งตัวเองยิ่งกว่าคุณค่าของสมบัติใดๆทั้งนั้นเมื่อใจทั้งเราได้มีความสงบมากเข้าไปเท่าไหร ปัญญาความสว่างสไลท์ธรรมรอบครอบในธรรมเป็นอยู่ของตัดและทั้งฐานทั้งหลายก็ทับซึ่งที่ปัญญาของเราจนสามารถขอบถอนที่เดือดอาตะละหดที่ใจของเราแล้วก็ไม่มีอันไดที่จะมาเป็นธาตุติดต่อใจของเราเป็นเอตตัปปะรมตะสุข้างๆที่เรายังมีชีวิตอยู่การทำที่ตัณฑ์ไว้ว่าจะอุปาทิเสตนิธานเป็นพูดถึงตัณมิธานคือดักเกลียดที่เกลีดทั้งหลายทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่ มือก่ออาลัยสงแห่งการประกอบพิธีบัตรรมทำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะส่งให้เราได้รับความสุขเป็นขั้นๆเราจะเกิดในข่าไปพบใต้ก็มีคว า, ามสุขเป็นกันขั้นขึ้นไปจนกระทั่งหมด เคร่องกังวนคือความปวดปเจ็บตายทั้งหลายไม่ได้เท่าแท่งถึงจิตใจของเราถ้าจิตใจได้มีความรอบคอบตอาติเดชอาศรู้เท่าถึงการหมดทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันปัจจุบันอยู่เสมอด้วยความรู้เท่านี่คือว่าใจได้ถึงเอกราชบรมตุกมีความสะดวกใจะมาใจเป็นเครื่องตัดถึงอยู่หน้าภายในจิตใจทั้งตนว่าเค้นหน้าทั้งเราจะมีอีกหรือไม่ก็ถ้าพัดหน้าภายในจิตใจ ขคว า, ามธรรมราของใจกับอารมณ์ในเมื่อได้สัมผัสคือถูกต้องกันเข้าแล้วย่งมมีความตื่นชาต้งฝ่ายดีและฝ่ายตัวฝ่ายตัวที่มากระทบกระเทือนใจก็เป็นเหตุให้เสียใจแต่ที่เราทั้งทำมาดีมากระทบกระเทือนใจก็เป็นเหตุให้สุขเต๋อหัวหอมดิ้นเดินไปตามมีแสดงน้าใจมีความตื่นชาตในระหว่างใจกับอารมณ์ทั้ ง, ลงหลายก็แสดงให้เห็นมาใจ ย, ยังมีมทุกมีชาติที่จต้องสืดต่อกันไปในทางข้างหน้าเมื่อใจไม่มีความ โดยสุกจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายไม่มีความคุณนภาพูดเท่าตลอดเวลาโดยธรรมชาติของตนเองแห่งใจที่เคยสุกนั้นใจเต็มก็หมดตัดติ้งในใจได้ว่าสังคีติโกเป็นธรรมชาติที่เห็น100เองร้อยเปเซ็นโอบัะอีโกาการปดอยู่กตัวไม่ฟังไปน้อมไปหาที่ไหนอาการิี่โผความไม่สุกราติดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเดินเดินนั่งนอนมีอยู่ตลอดเวลา เคยมีปัจจิโกเป็นธรรมชาตที่เราจะสามารถแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้รู้จิงเห็นจิ่งตามเราที่เห็นนี่รู้อยู่นี้ได้โดยไม่มีความสงสัยปัจจังเวริปัจโบวิงยืนท่านผู้ทั้งหลายจะต้องรู้ตุ้งติใจนี้เท่านั้นจะไปรู้ที่อื่นไม่ได้ที่คำตั้งหลายที่อธิบายมาทั้งหมดนี้รายสาคัญมากไปมีอยู่ในพรานที่ใดในบุคคลผู้ใด เป็นสภาพที่มีอยู่ในตูวของเราอย่างสมบูรณ์ขอให้กัรพุทธศาสนิกุนผู้ฟังทั้งหลายจงกำหนดชนิดที่กมาและตะโกนปัยญีโกกน้อมเข้ามาเป็นเครื่องสอนจิตสอนใจของเราเราได้ประมาทนอนใจต่อไปเราก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความสเริญโดยในแห่งพระธรรมาเพื่อศาสนาที่แสดงมานี้ นนับมาจะสมควรเจอเวลาจริงขอุติธรรมเทศสนามวรขอข้นนางนีเอวังคันดุนเพื่อตาและกั น, นีน